มีอะไรซึ่งเป็นพิษเป็นแผลต่อคนอื่นไม่พอคนอื่นเขายังโศกอยู่เราก็เดือดร้อนเกิดเป็นปัญหาจึงมาช่วยกันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจับมือดุงด้งกันไปใครล่าใครเหนื่อยก็รอคอยกันอย่าทอดจะทิ้งเอาแม้แต่ทั้งแน่นหน่อยมาให้มานอนฟังก็ได่น่ารักดี นอนหลับช่างมั่มันทะเลาะกันบ้างหยอกล้อกันบ้างช่างมันออกสักวันหนึ่งมันต้องดีแน่นอนเราก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันเอากันไปหมดเลยเป็นพวงไปเลยอ่ะไม่ใช่เราคนเดียวรังเกียจคนนเพื่อนคนนี้ชอบคนนั้นไม่ใช่อย่าไปเรือกที่รักมักที่ชังการที่ทำความดีวางใจสร้างความเมตตาเกิดด้วยน้ำใจของเรา รงกรุณนาวุธดาวเปี่กาขึ้นในใจของเราเอาให้มันขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงอันเราทิ่งไปเหมือนด้วยการกระทําของเราเหมือนต้นนี่โคตอยู่ลงอาทานมันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือหลวงพอ่อเป็นต้นไม้ขึ้นมาที่เป็นต้นไม้ขึ้นมาเฉเอา้าออกลูกออกดอกออกผลกัดลอกกัแต่นกก็ได้มากิน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 ร่างความบาปล่างอากุศลคือความรู้จักตัวเหมือนกับน้ําทิพต์ร้างบาปร่าง อ, ากอกุศลนอกจากกายอจากใจเราเพราะรู้สึกตัวก็ทําความดีรู้สึกตัวก็ละความชั่วรู้จึกตัวก็จิตเขาบริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ไปมันเป็นอย่างนี้ต้องข้อขยัน ข, ขยันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดความขยันบ้างแล้ว